ทีนี้มาขึ้นอิติศัพท์เลยนะครับเพราะว่าจะขยายตามลำดับของของบาลีนะครับทีนี้อิติศัพท์นั้นตรงนี้จะไม่มุ่งพิสดารนะครับแต่ให้รู้ว่าอิติศัพท์นั้นมีหลายความหมายนะครับเช่นอิติมีความหมายว่าเหตุก็มีอิตินี้มีความหมายว่าปริสมาปนะก็มีอิติมีความหมายว่าเป็นเบื้องต้นก็มีอิตินี้มีความหมายว่าปทัตประยะคือความหมายของบทก็มี อิติก็มีอัตถาว่าประการะก็มีนะครับมีอัตถาว่านิทัศน ะ, ะ, ะก็มีมีอัตวะอวทารณะก็มีเพราะฉะนั้นท่านจะยกมาพอเป็นตัวอย่างคือเจ็ดความหมายแต่ในเจ็ดความหมายนั้นก็ผมจะไม่กล่าวในที่นี้นะครับคือทำไมท่านจึงยกข้อความเหล่านี้ขึ้นมารู้ไหมครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดให้รู้ถึงฝีมือของผู้เรียบเรียงคภีร์นะครับว่า ท่านเนี่ยชำนาญในพระไตรปิฎกมาอย่างกว้างขวางนะท่านรู้ว่าศัพท์นี้อยู่ที่ไหนสัพ์ไหนอยู่ที่ไหนที่ไหนต้นเนี่ยท่านมองออกทะลุปลุโปรงหมดเพราะฉะนั้นไอการเรียบเรียงอัตกรถ า, าไม่ใช่ท่านทํามั่วๆว่างั้นนะน น, นและอย่างหนึ่งนี้ขนาดว่าท่านทรงขนาดนี้ท่านต้องอาศัยไนายะจากโบราณมาก่อนนะครับแล้วแต่งก็ต้องไม่ขัดกับแนวของสายนี้ด้วยนะครับนะเรียกว่าจะไม่ละทิง้ง ลัที่ของตนแจกแล้วก็ไม่ก้าวไายลัที่ของละที่อื่นเราจะเห็นว่าคําสอนตามพระไตรปิฎกจะไม่ไปเอาของใครมาปนเลยนะครับไม่ใช่ว่าสมัยนั้นเนี่ยละที่ต่างๆจะไม่มากนะมากแต่ท่านไม่เอามาปนเด็ดขาดนะครับเพราะความเคารพในพระสัจธรรมท่านท่านหวังว่าพระสัจธรรมเหล่านี้เนี่ยที่บริสุทธิ์นี่ยจะดารงอยู่ในโลกได้นานๆนะครับเหมือนกับแสงสว่างถ้าอยู่ในโลกได้นานเท่าไหร่โลกก็พอที่จะมองเห็นดีเห็นชั่วว่างั้นเถอะ มองเห็นสูงเห็นต่ำจะได้เดินทางถูกเป็นต้น น, นนะนะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงดํารงอยู่ในโลกได้นานขนาดไหนก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองนะครับฉะนั้นในคัมภี์นี้อิติสับในคัมภีร์นี้นะครับมี3ความหมายคือความหมายว่าปการะอย่างหนึ่งความหมายว่านิทัศนะอย่างหนึ่งและก็ความหมายว่าอวัารณะอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ใน3ความหมายนั้น ด้วยอิติศัพท์ที่มีความหมายว่าประการะนี่พระอนนุเถระจึงแสดงความหมายนี้ไว้ว่าพระดํารัดของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีความหมายที่ละเอียดด้วยนัยยะต่างๆนะครับ ต, ต, ตรงนี้นะฮะตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปนะถ้าผู้ที่จะเรียนคําอธิบายข้างหน้าควรทรงจําไว้นะครับเพราะเป็นหัวข้อหลักที่ท่านจะขยายต่อไปนะว่ามีความหมายที่ละเอียดด้วยนัยยะต่างๆมีสมุดฐาน มาจากอัธยาศัยเป็นอเนกสมบูรณ์ด้วยอัตตะและพยัญชนะมีปาฏิหารอย่างต่างๆลึกซึ้งด้วยธรรมะนะธรรมะหมายถึงเหตุลึกซึ้งด้วยอัตตะคือผลลึกซึ้งด้วยเทสนาแล้วก็ลึกซึ้งด้วยปฏิเวทนะครับอันนี้ก็คือคำภีรภาพ4อย่างนะทีนี้คาสอนที่ละเอียดดีขนาดนี้หรือคำพูดที่ดียางงี้เนี่ยนะครับ ที่สมบูรณ์ด้วยนัยต่างๆเป็นต้นเนี่ยพอคำสอนนี่มากระทบโสตประสาทของสรรพสัตว์เนี่ยนะฟังแล้วตามสมควรแก่ภาษาของตนของตนไม่ต้องมีล่ามแปลเลยนะครับพอองค์พูดเนี่ยนะใครเข้าใจภาษาไหนที่สุดเนี่ยนะเสียงพงจะแปลไปเป็นภาษานั้นให้เขาเข้าใจทันทีเลยนี่คือพุทธานุภาพไม่ต้องใช้ล่ามเลยนะครับฟังแล้วเป็นภาษาที่เขาถึงอกถึงใจเลยนะนะบอกแล้วฉัน อัถฐของปการะเนี่ยนะเนื่องจากพุทธพจน์เนี่ยมีความดีขนาดเนี่ยนะใครเล่าจะสามารถเข้าใจได้ครบทุกประการใครจะไปรู้ได้หมดนะนะนี้คล้ายๆกับพระนลท่านออกตัวนะว่าใครจะไปรู้ได้หมดข้าพเจ้าแม้ยังความเป็นผู้ประสงค์จะฟังให้เกิดด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดก็ฟังมาแล้วอย่างนี้คือแม้ข้าพเจ้าก็ได้ฟังมาแล้วด้วยอาการอย่างหนึ่งนะ นะคือท่านไม่ได้รับรู้มาโดยสิ้นเชิงหมดเลยเหมือนกันเถอะแต่โดยพยัญชนะเนี่ยมาแบบนี้นะแต่ว่าอัฏฐะเนี่ยนะลึกซึ้งพิเศษเนี่ยกว้างขวางมหาศาลข้าพเจ้าได้มาส่วนเดียวเหมงอนกันเถอะไม่ได้มาทั้งหมดนะงงนเหมือนกนี่นี่พระนรท่านก็ออกตัวอย่างหนึ่งนะนี่ขนาดว่าโดยปกตินะพระนรท่า น, น, นฟังบทเดียวเนี่ยท่านขยายได้6ก0 0 0่บทนะครับหรือเข้าใจแทงตลอดห0 0 0ืบททันทีนะท่านยังออกตัวแบบนี้เลยนะครับ อคือเข้าใจเลยนะครับว่าคือหมายประสงค์ยังไงนะแล้วมีความเข้าใจรอบรู้ในสิ่งนั้นทันทีเลยนะครับในความสามารถขนาดนั้น น, น, นะเมื่อเทียบพระเสข้าทั้งหลายทั่วไปนะเวนพระอริยบุคคลที่สูงกว่านะท่านก็สุดยอดแล้วเหมางนั้นะนะความสามารถนี่สุดยอดแล้วคือหมายความว่าเชื่อมต่อเห็นความไม่ขัดแย้งของคําสอนได้ได้อย่างวิจิตพิสดานะ ถ้าเรียนเนติปรกรณ์มานะท่านมีหลักการคิดนะครับว่าฟังบทหนึ่งแล้วมันขยายได้ยังไงถ้าเรียนเนติปรกรณ์แล้วน่าจะเห็นชัดเจนเดี๋ยวจะข้างหน้าจะมีความหมายต่อไปว่าพุทธพจน์หนึ่งบทเนี่ยนะเอาหลักอะไรมาวินิจฉัยบ้างนะครับจะมีต่อไปข้างหน้าอีกเพราะฉะนั้นเสียงของพระพุทธเจ้าหรือพระดํารัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีความดีขนาดนี้เนี่ยนะอย่าลืมว่าวาจาที่แปลงออกมาเป็นนิรุตติปฏิสัมพิทานนะครับ เป็นไปตามอำนาจของปฏิภาณปฏิสัมพิทานะปฏิภาณปฏิสัมพิทาซึ่งรู้อัฏฐปฏิสัมพิทาแล้วก็ธรรมปฏิสัมพิทาว้วาจาที่กล่าวมาเป็นนิรุติปฏิสัมพิทาเฉะนั้นจิตที่เป็นสมุทฐานมาจากปฏิสัมพิทาที่กล่าวออกมาแบบนี้นี่นะครับจึงฟังแล้วขยายได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแต่ใครอะยกตัวอย่างถ้าผมจะบอกว่าชี้ให้ดูฟ้าเนี่ยนะครับใครจะมองเห็นใกล้หรือเห็นไกลก็สุดแท้แต่ แต่ตาของคนนั้นๆนะครับไม่ใช่ว่าคนจะมองเห็นฟ้าแล้วมองไกลได้เท่ากันมองใกล้ได้เท่ากันไม่เท่ากันนะครับบางคนรัศมีการมองเห็นเนี่ยไกลแตกต่างกันมากน ะ, ะถ้ามู้ผู้มีปัญญาหรือมีกล้องจุกล้องที่สองทางไกลก็จะเห็นตามสมควรแก่อนุภาพของกล้องนั้นนันะครับนะนั้นความสามารถในการดูไม่เท่ากันพจน์แต่ละคําก็เหมือนกับพูดถึงฟ้าเนี่ยนะคือมันสามารถขยายได้โดยนัยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะนะ แต่ไม่ใช่พูดว่าโอ้พุทธพจน์เนี่ยไม่มีคือว่าฟังแล้วฟุ้งซ่านมี ม, มีที่จบมีสิ้นก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ามีอัตทะที่ประสงค์มีอยู่แต่ว่าขยายได้โดยไม่มีนัยยะที่สิ้นสุดนี่นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่านี้แล้วก็ขยายนะยกบทข้างบนมาว่าบทว่านานานนยะนิปุนังเนี่ยนะเป็นต้นคือที่บอกว่ามีความละเอียดนะมีความหมายที่ละเอียดด้วยนัยยะต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็มาขยายว่า เพื่อทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ว่านัยยะต่างๆนะนัยยะต่างๆอย่างกันโดยแยกตามอารมณ์เป็นต้นนะครับเอาอารมณ์มาจําแนกนัยยะก็จะต่างกันนะธรรมะนี้ก็คือรูปธรรมกับ น, นามธรรมาถ้าจะมาจําแนกเป็นรูปเป็นเสียงกลิ่นรสเป็นโพธพภะและธรรมอารมณ์เนี่ยมันก็เยอะไปอีกเนละคือเอาในมาจับมาขยายโดยในแห่งอารมณ์โดยไนยะแห่งทวารโดยไนยะแห่งวิถีนะเหมือนเราเรียนเรื่องจิตมาเนี่ย จิตโดยทว่าเป็นดวงดวงก็89หรือ121ดวงแต่ถ้าเอาภูมิมาจับเอาเวทนามาจับเอาเหตุมาจับเนี่ยนะเอาอารมณ์มาจับเอาวัตถุมาจับเอาโลกิยะโลกุตระเป็นต้นมาจับก็จะมีความวิจิตพิสดารไปตามสมควร น, นั้นเอนะครับเพราะฉะนั้นความพิสดารของพระธรรมเหล่านี้ก็คืออย่างเช่นเอกัตนัย นิยยะโดยความเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะครับหรือว่านานัตนาในนยยะที่มีความแตกต่างกันอภพยาปารณาในที่เป็นอภยยากะอัพยากะตะซึ่งกันและกันคือไม่ไม่คาบเกี่ยวกันนะครับหรือว่าธรรมตาในคือความเป็นธรรมดานิยยะทั้ง4ประการเหล่านี้ก็ดูได้จากปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นธรรมะที่เอามาขยายนิยยะทั้ง4ี่ประการได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างบริบูรณ์ดูได้จากคัมภีวิพัฒน์ หรือถ้าจะเอาในยะแบบคัมภียเนติปกรณ์ก็มีห้าในเรียกว่าในที่เป็นนันทิยาวัตนยัยติปุคละในสีหวิกีริตาในทิสาโลจนะในและอังกุสะในในทั้งห้าประการนี้ดูได้จากเนติปกรณ์นะครับจะแม่อธิบายที่นี้อย่างนี้นะเชื่อว่านานานายะมีในยะต่างๆนะเฉพาะตรงนี้ยกมาให้ดูแค่สิบในยะนะครับสิบในยะแต่ที่จริงแล้วมีในยะไม่ได้มีแค่นี้นะครับ อีกประการหนึ่งในยะทั้งหลายได้แก่คติแห่งพระบาลีความรู้แห่งบาลีทั้งหมดได้ชื่อว่านยะนะครับชื่อว่านยะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ายังฟังพุทธพจน์บทใดบทหนึ่งเคยได้ยินนะผู้ที่แตกฉันพระไตรปิฎกขยายได้ทั้งปีดกเลยเพราะงั้นเอาพระไตรปิฎกมาขยายได้เลยนั้นพระไตรปิฎกก็ชื่อว่าเป็นนัยะเหมือนกันเพระั้นพระไตรปิฎกทั้งหมดก็เป็นนัยะนั่นเองนะครับและคติแห่งบาลีเหล่านั้นก็มี ประการต่างๆนะครับนะคติหรือความรู้ในบาลีเนี่ยนะก็ยังแบ่งออกบาลีคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระวินัยปิฎกก็โดยมากก็เรียกว่าเป็นบัญญัติแล้วก็ยังมีอนุบัญญัติคือตามบัญญัติไปอีกนะครับบัญญัติรองลงมาอีกเป็นต้น น, นะในเฉพาะวินัยปิฎกะนะหรือว่าในคำสอนเหล่านั้นบางอย่างก็เป็นสังกิเลสภาคยะใน ภาคิยาที่ในเนี่ยนะหมายถึงในบางอย่างก็เป็นสังกิเลสนัยคือหมายพูดถึงความชั่วทั้งหลายแหลพูดถึงสิ่งที่เศร้ามองอะนะเช่นพูดถึงกายยะทุจริรตเป็นต้นและวิบากแห่งกายยะทูจริรตเป็นต้นอันนี้เรียกว่าสังกิเลสพาคิยาเนี่ยนะหรือว่าอาจจะเป็นบุญอวาสนาภาคิยะเนี่ยนะเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นวาสนาเป็นต้นของเขาต่อไปอันนี้ก็เรียกเป็นนัยะอีกนัยยะหนึ่งเหมือนกัน หรือว่าโลกิยาที่ไนนะครับคือในทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตรอะอ่านในคัมภีจะเจอบ่อยๆใช่ไหมสูตรนี้เป็นโลกิยะด้วยโลกุตระด้วยสูตรนี้เป็นโลกิยะอย่างเดียวสูตรนี้เป็นโลกุตระอย่างเดียวสูตรนี้เป็นวตตะสูตรนี้เป็นวิวัตะนะเขาจะบอกอันนั้นก็เป็นนัยแต่ละไนแต่ละไนเหมือนกันนะหรือว่าตะทุพยะโวมิสกะตาไนายะเป็นต้นนี่นะหมายถึงสูตรทั้งที่ปนกันทั้งที่เป็นโลกิยะ และโลกุตระนะทั้งวัตวิวัตะนะครับซึ่งในญ า, าติเหล่านี้จะได้ข้างหน้าจะเจอบ่อยๆนะครับด้วยอํานาจกุศลในเป็นต้นก็คือเอาติกามาติกามาขยายนั่นเองนะครับรกุศลอกุศลในที่เป็นกุศลอกุศลอพยากตาในที่เป็นสุขาสหาคตะทุกขาสหคตาหรืออุปเปขาสหคตาในที่เป็น วิบากในที่ทําวิบากในที่ไม่เป็นทั้งวิบากไม่ทําทั้งวิบากเป็นต้นนะนะมันจะมีนัยยะทั้งหลายแหละเอาติกะมาติกะทุกกะมาติกะแต่ละมาติกาก็เป็นในเหมือนกันหรือด้วยอํานาจขันธนใยเป็นต้นนะครับในว่าด้วยขันอายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปิต จ, จสมุ บ, บาทสิ่งเหล่านั้นก็เป็นนัยยะเหมือนกันนะครับหรือในว่าด้วยสังขะนะครับวักสังขะเป็นต้นใช่ไหมคือดีนะวักขะสังคหะถ้าเป็น สังหะก็คือกลุ่มว่าเป็นพวกวักกันนะพวกวักสังหะเป็นตนน้นนะนะหรือถ้าพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือนัยยะแบบทระไตรปิฎ ก, กอะ น, นะก็จะยินพวกมันตันนาทั้งหลายนะตันนาสกะนั้นๆเป็นต้นก็ชื่อว่าคือสังขะเนี่ยมาสังหะเป็นถ้าเป็นทีคณิกาเออสังขะเป็นทีคณิกามชิมนิกา ย, ากายสังยุตติกายในทีคณิกายก็มาสังขะเป็นวักต่างๆเนี่ยนะครับ สังหาแปล ว, ว่าสงเคราะห์สงเคราะห์จัดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นวรกเป็นตอนเป็นกลุ่มเรื่องทั้งหลายแหล่นะมาเรียบเรียงอันนี้พวกนี้เรื่อสังหาในพระผู้มีพระภาคเนี่ตอนแสดงคำเนี่ยบอกผมไม่ได้ตรัสว่าตอนนี้เป็นเอกอนิบาตนะตอนนี้เป็นทุกานิบาตนะผมไม่ได้ตัดอย่างนั้นค์ ก, ก็ตรัสไปตามความเหมาะสมนั้นๆแต่ด้วยความสามเณรของพระอรหันต์ทั้งหลาย มีพระมหาคสปะเป็นประธานเนี่ยนะครับก็มาจัดเป็นนัยยะที่เรียกว่าพระไตรปิฎกอันนี้เป็นคําพูดรวมๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีนัยยะอย่างอื่นๆ อ, อีกเช่นนัยยะอย่างหนึ่งนะขอไปขอไอสังขะนี่ก็เช่นนัยยะที่ว่าสังขโหอสังขโหนะครับสงเคราะห์ตั้งหลายและเนี่ยนะนันก็เป็นนัยยะอีกนัยยะหนึ่งหรือด้วยอํานาจสมมิยะวิมุตติไนเป็นต้นสมมิยะวิมุตโตสมมยะวิมุตโ ต, ต, โตกุปธรรมโมกุปธรรมโมอย่างนั้นก็เป็น เป็นในเหมือนกันหรืออำนาจถะปนะนยะเป็นต้นเนี่ยนะครับถะปนะเนี่ยโดยสับแปลว่าอะไรครับครับนยะที่เป็นตัวตั้งแล้วก็อาจจะมีตัวตามหรืตามสมควรนะรแต่ว่าถะปนะในนี้ก็ควรศึกษาต่อไปหรือด้วยอำนาจกูโซลในเป็นต้นแล้วก็ด้วยอำนาจติกะปัฏฐานในเป็นต้นนะครับ ติกะประธานอันนี้เป็นตัวตั้งนะติกะประธานทุกกะประธานทุกกะติกะติกะทุกกะทุกกะทุกกะติกะติกะเนี่ยนะเขามีประธานพวกนั้นนะแล้วก็ยังมีอนุโลมมณไนเนี่ยนะอนุโลมทัปนิยะนะหรือว่าอนุโลมปฏิโลมเนี่ยนะยังมีธรรมนยะเป็นต้นอีกมีนยะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับฉะนั้นพระดํารัสของพระพุทธเจ้านี่มีในแบบนี้กว้างขวางขนาดนี้นะมันแล้วแต่ใครฟังเหมือนกัน คนฉลาดมากก็ฟังแล้วมาหูมันกว้างขวางมหาศาลนะคนฉลาดน้อยก็อย่างว่าเหมือนชี้ให้ดูดาวนะคนที่เรียนรู้เรื่องดาวมาอย่างดีพูดได้หมดเลยว่าดาวดวงไหนเป็นดวงไหนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นจึงเชื่อว่านานานายะแปลว่ามีนยะต่างๆกันอันนี้ความหมายแรกใช่ไหมครับที่บอกว่ามีนยะต่างๆเสร็จแล้วก็บอกว่า ในความหมายเนี่ยที่ชื่อว่าละเอียดด้วยนัยยะนะเมื่อกี้ไนนี่มีเยอะแล้วยังบอกว่าละเอียดอีกนะลึกซึ้งเหมือนกนเถอะนิปุนธเนี่ยละเอียดนะพราะหมายคำว่าละเอียดคือละเอียดอ่อนได้แก่สุขุมด้วยนัยยะเหล่านั้นเนี่ยนะลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพเหมือนกันอันนี้ขยายความหมายแรกก่อนนะว่ามีความที่ละเอียดด้วยนัยยะต่างๆอันนี้เท่ากับขยายจบบทตั้งอันหนึ่งแหละทีนี้เอาบทตั้งอันใหม่มาตั้งอีกว่า มีสมุธฐานมาจากอัธยาศัยเป็นอนเนกเอานะเอาตรงนั้นมาตั้งแล้วขยายเพิ่มอีกว่าขยายคําว่าอาศัายะก่อนว่าอาศัยะนั่นแหลชื่อว่าอัชฉาราิยอัชฉริยนั้นมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าไปแยกนะแยกก็มีหลายอย่างบางบางสัตว์ก็เป็นสัสตตตถิธิอัธยาศัยของสัตว์นะบางสัตว์ก็อุเฉททิฐิบางสัตว์ก็เอกัจจะสัสตตตถิธิ บางสัตว์ก็เป็นอมราวิเขปะทิฐิเนี่ยนะอัธยาศัยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้พวกอัธยาศัยที่เป็นมิจฉาทิฏฐิยังมีอัธยาศัยพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิอีกนะครับอัธยาศัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิเช่นอัธยาศัยที่ยังถึงปฏิจจสมุปบาททําได้อัธยาศัยที่เป็นไปกับอริยมรรคอริยผลเป็นต้นเนี่ยนะนั่นคืออัธยาศัยของสัตว์มีเยอะแยะไปหมด แล้วในอัธยาศัยเหล่านั้นก็ยังไม่แยกว่าผู้มีทุลีคือกิเลสในจักรสุน้อยเป็นต้นนะนะแล้วก็มาแยกเป็นผู้มีกิเลสคือจกักรสุมากเป็นต้นเนี่ยครับไปดูในอินเดียโปรปริยติยานนะครับในในคถาคตฉบับที่แจกมาก็มีนะครับในในั้นดูในนั้นก็ได้ในบทว่าอินรดียโปรปริยติยานว่าอัธยาศาัยของสัตว์นี่เป็นอเนกจริง เพราะฉะนั religion, ้นจะเลยเชื well, so earth, well. See, ่อว่าอเนกัชชายสายมีอัธยาศัยเป็นอันมากอว่างั้นเถอะอีกอย่างหนึ่งอัธยาศัยเป็นอเนกเนี่ยนะครับมีอัชชาสายของตนเป็นต้นก็ชื่อว่าอเนกัตชายสายอีกในหนึ่งนะอัธยาศัยตนอัธยาศัยผู้อื่นอัธยาศัยทั้งทั้งสองฝ่ายเป็นต้นหรืออาศัยเหตุเกิดของเรื่องเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าอัธยาศัยเหมือนกันอเนกัตชายสายนั้นเป็นสมุธฐานคือเป็นแดนเกิดได้แก่เป็นเหตุแห่งพระพุทธพจน์นั้นเหตุนั้น พระพุทธพจน์นั้นจึงชื่อว่ามีอเนกัทยาศัยเป็นสมุทฐานคือพระพุทธเจ้านี่นะครับถ้าไม่มีเหตุเกิดเนี่ยพรงค์ยังไม่เทศนะไม่ใช่ว่าโหพูดไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับพรงค์ได้เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปลารบให้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนพระองค์จึงแสดงธรรมบางอย่างก็เหตุจากภายในตัวของพระองค์บางอย่างก็เหตุจากผู้ฟังบางอย่างก็เหตุจากอบรมบรม่มอินทรีย์ของผู้ฟัง บางอย่างก็เหตุจากเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นพระองค์จึงแสดงคำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอเนกชยาศัยและก็พระพุทธพจน์นั้นชื่อว่าถึงพร้อมด้วยอัถะเพราะเมื่อมีความถึงพร้อมด้วยอัถฐอัถฐคืออะไรอัถฐคือกุศลเป็นต้นนะครับจึงประกอบด้วยบทของอัฏฐบทนะอัฏฐบทมี6นะครับนะอัฏฐของบทเนี้ยอัฏฐบทเนี้ยหตามคัมภีร์เนติปกรณ์ คือสังกาสนะประกาศสนะวิวัฒนาวิพัชนะอุตนีกรณะและปัญญั์นน เ, นเนี่ยนะครับคําว่าสังกาสนะเนี่ยนะครับเป็นการแสดงหรือการประกาศโดยโย่อนะครับ mm hmm. การแสดงการประกาศแบบย่อๆนะครับส่วนประกาศสนะเนี่ยก็คือเป็นบทที่บทแรกเลยนะครับบทตั้งอะ่ะเช่นดูความพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนเนี่ยนะถ้าพูทตพอพดแบบนี้ลักษณะนี้เป็นเรียกประกาศสนะนะครับ หมายถึงการประกาศทีแรกนะครับประกาศทีแรกนะดูความพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรละเนี่ยผู้พจน์แบบนี้เรียกว่าประกาศนะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงโดยโย่อกับประกาศนะเนี่ยนะครับเป็นคําสอนประเภท ย, ย่อๆเหมาะกับพวกอุคติตันยุบุคคลเป็นต้นนะครับอันนี้ตามระยะแห่งกัมพีเนติปกรณ์นะยกมาพอเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยมีอัดที่ลึกซึ้งอย่างนั้นนะครับ ถึงพร้อมด้วยอัดเหล่านั้นนันน่ะมันเ อ, อ่อถ้าจะต้องการรายละเอียดแบบดีกาอธิบายก็ดูในดีกาพระวินัยเล่มนี้นะครับเล่มหนึ่งในข้อ259ห้าสิบเก้าหน้า4ี่ร้อยเก้าสิเป็นต้นนะครับจะมีอธิบายไว้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นวิวรรณวิพัชนะอุตนีกรณะและบัญญัตินะปัญญตินะแต่ว่าให้รู้ว่ารายละเอียดเหล่านี้มีอยู่ในคัมภีปปร์ในติปกรณ์